กรรมของคนพูดเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้ไปทำบุญที่สวนแสงธรรมข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าดีกับทุกคนไม่กล่าวร้ายไม่นินทาใครเห็นทุกคนเป็นมิตรแม้ต่างวัยต่างฐานะและโอกาสมีอยู่วันหนึ่งมีคนเล่าว่าเธอรู้ไหมมีคนเขาว่าเธอชอบไปอ้างว่าเขาเป็นเพื่อนและมาขอร้องฉันไม่ให้พูดกับเธอ แต่คนที่มาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเขาไม่เชื่อเพราะเขาคิดว่าข้าพเจ้าดีกับเขาไม่เคยดูถูกหรือนินทาใครถ้าข้าพเจ้าไม่ดีจริงหลวงตาคงไม่เมตตาข้าพเจ้าหรอกเมื่อข้าพเจ้าฟังแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรแต่รู้สึกสลดใจคนน้อคนมีวาสนาได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แท้ๆแต่ทำไมกิเลสถึงได้ท่วมท้นขนาดนี้คนเช่นเนี้ยคงทะเลาะหรือนินทาคนไปทั่ว ข้าพเจ้าจึงพยายามวางใจให้เป็นอุเบกขาพิจารณาโลกธรรมแปดแต่จิตก็ไม่ลงวันนั้นหลวงตาเทศหลังฉันพัฒตาหารเช้าข้าพเจ้าก็ายังสลดใจมากน่าแปลกมากพอท่านเทศจบท่านหันมาพูดทางด้านที่ข้าพเจ้านั่งอยู่กับเพื่อนสหธรรมมิกเรื่องการดินทากันและท่านสอนว่าจำไว้นะใครจะพูดอะไรก็ช่างเขากรรมมันอยู่ที่ผู้พูดไม่ใช่อยู่ที่เรา ไม่ต้องไปรับมาใส่ใจแค่นั้นแหละมเมฆหมอกที่บางใจสลายหายไปหมดถึงใครจะไม่รู้แต่ครูบาอาจารย์ท่านรู้ตัวเราเองก็รู้กรรมมันอยู่ที่ผู้พูดจริงๆหลังจากนั้นก็มีแต่ความสงสารเขาทุกวันนี้เห็นเขาก็รู้สึกผ่านไปเพราะจิตมันผ่านแม้มีคนมาเล่าถึงความไม่ดีของเขาให้ฟังแต่ใจเราก็ผ่านเห็นเป็นเรื่องของกรรมสักวันเมื่อเขาเห็นตัวเขาเอง เขาคงหยุดได้คนเราในที่สุดก็ต้องตายอย่าไปเสียเวลาเลยหลวงตามักจะสอนลูกศิษย์อยู่เสมอไม่ให้ว่าหรือนินทากันมันเป็นของเหม็นท่านรู้ทุกอย่างว่าใครเป็นอย่างไรการพนันมีแต่เสียมีลูกศิษย์ท่านคนหนึ่ง เป็นผู้ชายเขามาเล่าถึงความเมตตาของหลวงตาที่มีต่อเขาให้ข้าพเจ้าฟังข้าพเจ้าไม่อาจเปิดเผยชื่อเขาได้เพราะรับปากไว้แล้วเรื่องมีอยู่ว่าเขาได้เผลอตัวเล่นการพนันแรกๆก็เล่นได้แต่ต่อมาก็เสียได้บ้างเสียบ้างจนมีหนี้สินร่วมล้านบาทเขาทุกข์มากไม่รู้จะทำเช่นไรจึงไปทาบุญกับหลวงตาเขาบอกว่าหลวงตาเทศสอนตลอด แต่เขาก็แก้ไม่ได้เพราะเป็นหนี้บางเวลาท่านเทศเตือนว่าการพนันมีแต่เสียเล่นไปมีแต่จมเขาก็เถียงในใจว่าบางครั้งผมก็เล่นได้บางครั้งก็เสียสลับกันไปแค่เขาคิดเท่านั้นท่านเทศต่อเลยว่าเราไม่เถียงถึงแม้เล่นได้ก็ได้นิดเดียวแต่พอเสียมันมากมายกว่ากันเยอะสรุปแล้วก็คือเสีย เขาตกใจมากที่ท่านล่วงรู้ความคิดและที่ท่านพูดก็เป็นความจริงอาจจะด้วยกรรมที่เขาผจญมาหลายปีหมดลงเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานด้วยกรรมดีที่เขาเคยกระทํามาแล้วในอดีตขอหลวงตาโปรดช่วยให้เขาหมดหนี้สินและเขาจะเลิกจากอบายมุขนั้นไม่แต่ต้องมันอีกหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงวันเปิดโลกธาตุที่วัดป่าบ้านตาดเขาได้ไปร่วมพิธีและตั้งจิตอธิษฐานอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร โดยทาบุญกับองหลวงตาด้วยความดีนี้หลวงตาโปรดช่วยให้เขาพ้นจากอบายมุกเถิดเมื่อเขากลับมากรุงเทพก็เกิดสิ่งที่แปลกประหลาดมหาาัศจรรย์ขึ้นเขาเกิดโชคดีได้เงินที่ต้องใช้หนี้มาทั้งหมดเขาจึงรีบเอาไปใช้หนี้แต่ยังไม่ไวายคิดเล่นเพราะยังมีกิเลสเขาจึงเข้าไปเล่นอีกแล้วความอาศัศจรรย์ก็บังเกิดรอบสอง ทำให้เขาไม่กล้าฝืนคำอธิษฐานที่ให้ไว้กับครูบาอาจารย์อีกเลยคือเขาเกิดทะเลาะกับเพื่อนกลุ่มที่เล่นเป็นการใหญ่จนเลิกคบกันไปเลยตั้งแต่นั้นมาเขาก็เลิกการพนันได้เด็ดขาดเมื่อไปฟังเทศหลวงตาท่านได้เทศขึ้นมาว่าเราช่วยแล้วนะถ้าไม่เชื่อยังอยากจะดิ่งลงเหวไม่มีใครช่วยอีกแล้วนะเขาฟังแล้วก็ยกมือขึ้นสาธุ และก้มลงกราบท่านด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยศรัทธาหลวงตาได้ชุบชีวิตให้เขาแท้ๆบัดนี้เขาผู้นั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในคุณความดีมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าก็อนุโมทนากับเขา จริงๆแล้วมีเรื่องที่คนล่าให้ฟังมากมายแต่ไม่ได้ขออนุญาตเขาเอามาเล่าซึ่งทุกคนที่เคยได้รับเมตตาล้วนแต่มีปีติสุขทราบซึ่งไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แม้แต่ข้าพระเจ้าเองเคยเป็นผู้ที่จเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ต่อมาโดนพิศเศรษฐกิจประกอบกับถูกโกงเพราะความไว้ใจคนเชื่อคนง่ายจึงทาให้ประสบภาวะขาดทุนแทบจะลงมาในสภาวะเป็นศูนย์โชคดีที่ไม่ก่อหนี้ แต่การทําบุญกับหลวงตาข้าพเจ้าไม่เคยย่อท้อจนใครๆบอกว่าควรเก็บรวบรวมไว้เป็นทุนดีกว่าโดยแล้วค่อยไปทําบุญใหม่ข้าพเจ้าไม่เชื่อคนอื่นแต่เชื่อมั่นในบุญกุศลมากกว่าเพราะหลวงตาเป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมข้าพเจ้าทําบุญกับท่านด้วยหัวใจคิดอยู่อย่างเดียวว่าการได้เห็นหลวงตาได้ทําบุญได้ฟังเทศและได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงตานับเป็นบุญอันสูงสุดในการปัจจุบันนี้ ความเชื่อมั่นและการทำบุญของข้าพเจ้าไม่ทำให้ผิดหวังเลยในช่วงเวลาไม่นานการงานและชีวิตกลับเจริญรุ่งเรืองดีขึ้นดีขึ้นและดีกว่าแรกเริ่มที่ว่าดีเสอีกข้าพเจ้าได้ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในอันเกิดเป็นความชุ่มชื่นในจิตใจทั้งของตนเองครอบครัวญาติพี่น้องและเพื่อนๆนซึ่งทั้งหมดก็ล้วนเป็นบุญกุศลที่ได้ทำกับพระที่บริสุทธิ์อย่างองค์หลวงตาเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าปลื้มปิติเป็นอย่างมาก และคงจะถึงเวลาแล้วที่หัวใจจะได้รับรางวัลแห่งบุญนั่นคือหลวงตารับนิมนต์มาโปรดที่บ้านสวนของบิดามารดาที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งในอดีตเมื่อสองถึงสมปีมาแล้วหลวงตาเคยถามข้าพเจ้าว่าบ้านอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าอธิบายให้ฟังท่านก็บอกไปไม่ถูกจนลูกสาวข้าพเจ้าคือเทวีได้กล่าวว่า นิมนต์หลวงตาไปที่บ้านหนูสิเจ้าคะหลวงตาจะได้ไปถูกท่านก็หัวเราเมื่อท่านมาโปรโดที่บ้านทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านเมตตามากท่านต้องรู้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนและก็เป็นจริงหลวงตามาโปรโด วันนั้นเป็นวันที่15กรกฎาคมพศส5 5 0มีคนมาร่วมรับหลวงตาประมาณ300คนโดยไม่ได้เป่าประกาศหรือออกบัตรเชิญแค่ปากต่อปากทุกคนรู้ล่วงหน้าไม่กี่วันแต่ความที่เพื่อนบ้านอยากมาทำบุญกับท่านอยากพบท่านทำให้ข้าพเจ้าต้องขยายสถานที่ออกมานอกบ้านกางเต็นสนามหน้าบ้านรับคนที่มารอเฝ้าหลวงตาข้าพเจ้าไม่เสียชาติเกิด ที่ได้ทำให้บิดามารดาวงศาคณาญาติและมีสหายมีความสุขกันทั่วหน้าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงตาใจดีมีเมตตามากท่านยิ้มโปรดญาติโยมตลอดตั้งแต่มาถึงจนกระทั่งกลับโดยไม่เลือกชั้นวันละและมีเรื่องที่น่าแปลกอีกเรื่องก็คือช่วงนั้นฝนตกทุกวันไม่มีเว้นพวกเราอธิษฐานขอเทพ ย, ายดาโปรดเมตตาอย่าให้ฝนตกสักสามวันเราจะทาให้สนามแช่ ตั้งโรงทานไม่ได้ก็เป็นอันว่าฝนหยุดให้ตั้งแต่วันที่13 14และ15พอหลวงตากลับไปไม่ถึงชั่วโมงฝนก็ตกหนักเหมือนอั้นไว้ให้โดยเฉพาะนี่แหละคงเป็นบา ร, รมีของท่านทุกชีวิตที่อยู่ในภพภูมิต่างๆล้วนต้องการต้อนรับท่านเรียกว่าฟ้าดินเป็นใจข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านไม่เลือกว่าเป็นคนหรือสัตว์ ท่านช่วยได้ท่านช่วยโดยไมร่รีรอโชคดีมหาศาลที่ได้พบระแท้จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าตลอดชีวิตของหลวงตาท่านได้บริจาคอะไรไปบ้างไม่ว่าจะให้โรงพยาบาลหน่วยงานราชการต่างๆโรงเรียนสวนสัตว์การอนุเคราะห์คนตกทุกข์ได้ยาก แต่ที่สำคัญคือช่วยประเทศชาติไว้ท่านหาทองคําเงินไทยเงินต่างประเทศมาค้าจุนประเทศไทยให้พ้นภัยท่านมีแต่ให้มีแต่ให้ไม่จบไม่สิน้นพวกเราเกิดอีกกี่พบกี่ชาติจึงจะได้พบอริยะสงฆ์เช่นนี้ข้าพเจ้าจึงได้บอกว่าเป็นบุญกุศลที่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านในหัวใจข้าพเจ้าไม่มีแม้แต่น้อยนิดที่จะตาหนิท่านเชื่อในคุณความดีของท่านเสมอ ที่ใครพูดว่าท่านดุท่านดุกิเลสต่างหากดังนั้นใครจะว่าจะนินทาท่านข้าพเจ้าไม่โกรธเขาเหล่านั้นแต่กลับสงสารเขาที่ต้องได้รับกรรมเพราะความไม่รู้ถ้าเราไปหาท่านด้วยหัวใจด้วยธรรมะด้วยสติเรารับธรรมะจากท่านได้เต็มที่แล้วเมื่อนั้นเราจะรู้ได้เลยว่าเราโชคดีมหาศาลเพียงใดที่ได้พบได้ทําบุญและได้ฟังธรรมจากหลวงตา พร้อมกันนี้ครอบครัวของข้าพเจ้ารวมทั้งคนในตระกูลขอกล่าวและยืนยันได้เลยว่าพวกเราได้พบแล้วซึ่งพระอริยะสงฆ์สาวกขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมุงสอนให้ผู้คนไปสู่ความพ้นทุกข์โดยไม่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมะของพระพุทธองค์เลยขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาจริงกับคำสอนของท่านแค่ไหนนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องทำเอง และได้รับผลด้วยตนเองบทความโดยคุณสุจิพามีแสงหรือแม่เทวีเซยงอ่านโดยโจโฉต้องกราบขออภัยเจ้าของบทความนะครับเนื่องจากบทความนี้เป็นบทความที่เขียนโดยสุภาพสตรีคือคุณสุจิพามีแสง สรรพนามคำว่าดิฉันจึงต้องขอเปลี่ยนเป็นข้าพเจ้าและตัดคำลงท้ายที่เป็นขะขาออกทั้งหมดนะครับเพื่อความเหมาะสมในการอ่าน